ชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึ้งซึ่งปัญญาในสันนิษสนทนาสวัสดีค่ะท่านฟังคะเรามาพบกันที่นี่ครึ่งชั่วโมงจากนี้ไปกับรายการสันนิษสนทนาสถานีวิทยุ FM ครอบครัวข่าวร้อยนะคะแล้วก็สถานีวิทยุในเกลือพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมประเกียดท่านฟัง ก็จะได้อิ่มอารมณ์กันกับการที่เข้าถึงข้ออัดข้อธรรมซึ่งเน้นว่าเป็นคำสอนของพระพุทธองค์จากพระโอษฐพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์นะคะก่อนหน้าที่จะไปถึงช่วงเวลาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ภั ย, ยบูรณ์อภิปุณโนเปิ่นอีกครั้งหนึ่งว่าการส่งความปรารถนาดีในปีใหม่ของรายการเราเนี่ยนะคะก็มีร้อยแตถาคตภาสิทธ อันเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโล ก, กุตระว่าเฉพาะที่เรื่องสุญญาตาคือเป็นคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะขนาดกระทัดรัดกว่าสคสปกติทั่วไปธรรมดาให้ท่านไปใคร่ครวญคำของพระพุทธองค์ที่จะได้เข้าถึงแล้วก็น้อมนำเอาไปใช้ให้เป็นสีมงคลแก่ชีวิตอย่างยิ่งตลอดไปไม่เพียงแค่ปีใหม่2553นี้ ท่านที่อยากได้เดี๋ยวในตอนท้ายเราจะแจ้งให้ทราบนะคะว่าจะทําอย่างไรกันตอนนี้สิ่งที่อยากจะนำเอามาพูดกับท่านฟังเนี่ยเรื่องของการจัดการกับสิ่งที่อยู่นอกตัวบางคนก็บอกว่ายากจัดการกับคนอื่นเนี่ยคือถ้าเรื่องคนเนี่ยคนอื่ น, นจัดการยากแต่บางทีมาทบทวนดูดีๆไอ้ที่จัดการยากนี่อาจเป็นตัวเราก็ได้เช่น อารมณ์ต่างๆดิฉันเชื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาถึงขนาดส่งผลทำให้เสียงานเสียการเสียเพื่อนเสียครอบครัวเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพราะมีปัญหาในเรื่องของการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองไม่ได้เรื่องเหล่านี้มีวิธีทางธรรมจะช่วยได้หรือไม่อย่างไรก็เป็นประเด็นที่จะไปกราบเรียนถามพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนด้วย ในขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ฉันสนใจจากการอ่านข่าวบ่อยๆเขาก็พยายามที่จะแก้ปัญหาสังคมที่เป็นปัญหาใหญ่ยิ่งในยามเศรษฐกิจไม่ดีมีคนจนจำนวนมากต้องไปพึ่งพาเงินกู้พวกเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบอะค่ะเห็นเขาไล่ตามจับกันอยู่แต่ดูเหมือนกับว่าเป็นดอกเห็ดในฤดูกาลเลยนะคะคือมันผุดขึ้นเต็มไปหมดแล้วก็มักจะเป็น กลุ่มคนที่น่ากลัวเพราะว่าดอกเปี้ยที่ว่าโหดคือดอกแพงแล้วเนี่ยวิธีการในการทวงหนี้ก็ยังโหดด้วยบางครั้งเอาถึงกันหาดแขนขาขาดนะคะตัดอวัยวะเข้าไปหรือว่าบางทีเนี่ยก็ถึงกับทวงหนี้กันถึงแก่ชีวิตเลยก็มีก็อยากจะเอาประเด็นเนี้ไปถามเหมือนกันนะคะว่าเอคนแบบนี้เขาจะคิดอยู่ว่า ก็ไม่เห็นอะไรนักหนาเลยคนเขาอยากได้เงินนิยุสาหนะให้เงินของเราไปผ่อนคลายความอัตคัดขัดสนความลําบากความจําเป็นก่อนแล้วังเจ้าอาจจะบอกว่าฉันก็ไม่ได้ทวงนี่โหดอะไรนักหนาเพียงแต่กดดันทุกวันเท่านั้นเองไม่ได้ไปทําร้ายอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เรียกทําให้มีความทุกข์ใจอย่างยิ่งคนพวกนี้หากินอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นซึ่งตัวเองเข้าใจว่าเป็นความเมตตาของคนอื่นเนี่ย มันมีบนตรงไหนมันมีกรรมตรงไหนหรือไม่จะทำอย่างไรกันนะคะแล้วก็คิดต่อไปอันนี้ดิฉันคิดเองไม่รู้ว่าจะเหลือเวลาถามท่านอาจารย์หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้จําได้ว่าในเรื่องเกี่ยวกับกรรมเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วพอหมดช่วงเวลาของท่านอาจารย์เราก็ได้คุยกันท่านก็ บ, บอกว่ามีมุมที่น่าสนใจใครที่กําลังยึดแบบปีใหม่เดี๋ยวจะไปไหว้พระก้าวัดไปขอพร น, นะคะว่าขอนน่นขอนี่หน่อยเหอะขอให้มันเกิดขึ้น ท่านจันภัยบูร์บอกว่าในเรื่องนี้นะมีวิธีนะขอว่าพระพุทธเจ้าเนะี่ยขออย่างไรให้ได้ผลในฉันเองเนี่ยก็ว่าจะขอลำพังนะคะแต่คิดว่าเผื่อแผ่ให้ท่านฟังเหมือนกับการขอให้ตอบข้อสงสัยในข้ออื่นๆด้วยดีกว่าใครสนใจต้องติดตามฟังให้ได้นะคะเดี๋ยวไปพบกับพระจันภัยบูร์อภิปุนโนด้วยกันคะ่ะ ท่านฟังคะต่อจากนี้ไปก็ขอเชิญท่านพบกับพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุลโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีค่ะนามสการค่ะท่านค่ะนาเจริญพรน้าอาจารย์คะเราจะคุยเรื่องอะไรก่อนดีคะเอาเดี๋ยวเรื่องที่ท่านจะแถมให้ขอพรอย่างไรเนี่ยนะคะให้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไว้ตอนท้ายเพราะว่าของดีเราต้องให้ทีหลังค่ะจริงๆแล้วดีหมดว่าด้วยเรื่องแรกก่อนก็แล้วกันค่ะ เรื่องจัดการกับอารมณ์จริงๆแล้วมีกรณีศึกษาเลยเป็นข่าวหน้าหนึ่งมเมื่อเร็วๆนี้นะคะที่ว่าคนอายุตั้งหกสิบกว่าแล้วไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปโดนทําร้ายโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล<ม>จนสลบ<ม>เห็นบอกว่าหลังจากทุ่มเถียงกัน<ม>คนที่ทําร้าย<ม>คนอายุหกสิบสี่เขาอายุย<ม>ี่สิบแปดเป็นชายหนุ่ ม, มก็พุ่งเอาเหล็กเข้าใส่นะคะ<ม>ทางฝ่ายคุณลุงเนี่ยก็หลบแล้วก็เขาก็พุ่งเข้ามาต่อย<ม>แล้วก็หลบอีก ก็ไปเจอล้มไปฟาดอะไรเหล็กสักอย่างหนึ่ง <Hello. S 1> ข่าวนี้ใช้คําว่าสลบคาที่ mm hmm. ดิฉันเองเคยได้ยินคาที่นแปลว่าตายคาที่ mm hmm. นี่มีสลบคาที่ก็ดีนะคะ mm hmm. เห็นภาพแล้วก็เป็นวิธีการใช้ภาษาที่ทําให้เห็นชัดเจนแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยข่าวเขายังไม่สรุปนะคะว่าใครถูกใครผิดสัทีเดียว mm hmm. แต่เป็นกรณีที่ทําให้นึกไปว่าเออคนมันคงไม่ได้ตั้งใจทําหรอกนะได้ แต่ว่าระงรับอารมณ์ไม่อยู่หรือเปล่าแล้วคนอื่นล่ะที่ระงรับอารมณ์ไม่อยู่เช่นเดียวกันนี้ <c oughs> แล้วยังจัดการ <c oughs> ตัวเองไม่ได้เนี่ยจะทํำยังไงกันดีพระเจ้าให้พิจารณาอย่างนี้นะว่า เ, ออเวลาที่เวลาที่เกิดเสียงหรือว่าความคิดอะไรภาษาที่ไม่ชอบใจอ่ะแล้มันจี๊ดขึ้นมากรดขึ้นมาเลยเนี่ยพริเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าออถ้าเธอมีจิตเป็นแม่ตาอยู่ก่อนแล้วเนี่ย ถ้าเธอมีจิตเป็นแม่ตาอยู่ก่อนแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าใครจะเอาบุ้งกีกับจอบเนี่ยจะมาบอกว่าเออเจ้จะาขุดแผ่นดินนี้ให้ไม่เป็นแผ่นดินขุดเข้าไปมันไม่มีทางทำได้ยากมากเพราะฉะนั้นถ้าจิตเรามีแม่ตายอยู่ก่อนแล้วเนี่ยคาพูดอะไรที่มันจะมากระทบเราให้เราจิตให้เราโกรธขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นบุคคลคนนั้นเนี่ยเขาแสดงว่าณนะวินาทีนั้นแตเขาไม่ได้มีสตินะอันดับแรกก่อนเขาไม่ได้มีสติอันดับที่สอง ในช่วงก่อนหน้านั้นทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้มีการเจริญเมตตาภาวนาไม่ได้มีการทำจิตไม่ได้มีการฝึกจิตเลยทำให้ตกเป็นผู้ไปตามอำนาจของจิตค <c oughs> ่ะอ่าเป็นผู้พอไปตามอำนาจของจิตแล้วจะเป็นยังไงล่ะเอา้าจะคิดเรื่องอะไรอยากจะคิดเรื่องอะไรมันคิดไม่ได้จิตไม่จะพาเราไป <c oughs> ในกรณีนี้ก็คือพาเราไปแย่เอา้าใช้กํปั้นบ้างใช้ก้อนดินบ้างใช้อาวุธมีคมไม่มีคมอย่างนี้ก็เกิดปัญหา ไปวิธีแก้เลยเนี่ยเราต้องจเจริญเมตตาจิตอยู่เป็นประจําอ่าพระพุทธเจ้าเปรียบเ ท, ทียบเหมือนกับว่าคุณจะเอาไม้ขีด่ะจุดไม้ขีดแล้วลงไปเผาบอกว่าจะทําแม่น้ําเจ้าพระยาให้มันเดือดพล่านโอ้มันไม่ได้หรอกถ้าจิตเรามีเมตาตาตลอดเนี่ยใครจะมาพูดด่าว่ามันมันไม่โกรธนะเป็นอย่างนั้นก็เท่ากับว่าจริงๆดูเหมือนกับเป็นวิธีที่ง่ายมากคือต้องแก้ด้วยการที่ ใช้เวลาทําความเพียรกับการเจริญสติฝึกให้มีเมตตาตอช่ต้องต้องเตรียมการไว้ก่อนค่ะอ่าบอกเลยต้องเตรียมการไว้ก่อนคือ <c oughs> นี่เหมือนเตรียมก็อาจบางคนอาจจะบอกว่าพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะมันเหมือนกับก็มันเขาเป็นคนมีปัญหาแล้วนี้ต้องบอกแก้ปัญหาเลยหรือเปล่าก็านั้นใช่แก้ปัญหาด้วยการเตรียมตัวเพื่อจะรับกับสถานการณ์นี้ <c oughs> แก้ที่เหตุเท่านั้นเลยอืม เก็าบางคนเนี่ยทุกนะคะก็ไม่อยากเป็นแต่ทำไปแล้วนะโอ้ยทำไมฉันห้ามตัวฉันเองไม่ได้ทั้งที่บอกไว้แล้ววันนี้อย่ากโกรธอืมเพราะว่าบุคคลนั้นเนี่ยเขาเป็นอ่าเป็นไปตามอํานาจของจิตอย่างพระเจ้บบาเนี่ยบอกว่าพระองค์เองเนี่ยเป็นผู้ที่มีอํานาจเหนือจิตจิตไม่มีอํานาจเหนือพระองค์ได้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรทำไมคนนั้นถึงเป็นไหลไปตามอานาจของจิตได้เพราะว่าเขาไม่ฉลาดในวาราจิตตังตนบอกพระเจ้บาบอกว่าคนที่ไม่รู้วาราจิตผู้อื่นเนี่ยต้องอาศัยอันนี้เป็นเหตุ คนที่ฟังราการอยู่เนี่ยเป็นคนที่รู้วารสจิตคนนี้ไหมถ้าไม่รู้นะให้อาศัยตรงนี้เป็นเหตุเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะรู้ว่าระจิตห่งตนคะ่ะวาระสิ่งตนเป็นยังไงพิจารณาเลยว่าสารนี่เป็นผู้มีความโเมกโกรธ อ, อ, อยู่ด้วยความมกโกรธหรือความไม่มกโกรธมากในแต่ละวันเป็นคนมีอพิจามีความคิดเพ่งแรงมากมายเป็นคนเครียดคลัตในการปฏิบัติธรรมไหมเป็นคนเกียจคร้านไหมเป็นคนจิตไม่ตั้งมั่นไหมใหนพิจารณาอย่านี้ถ้าเป็นนะให้รีบลคะค่ะ คือถ้าอยากแก้ไขก็ต้องส่องกระจกดูตัวเองก่อนใช่ให้ค้นพบว่าเราเป็นอย่างไรเออไอ้อออคุณยงเสรีเปรียบเทียบเหมือนกับพระเจ้าเลยนะพระเจ้าบอกว่าเปรียบเหมือนชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่มองหน้าตัวเองบนกระจกเนี่ยหรือบนแผ่นน้ําที่มันนิ่งๆเนี่ยเพื่อเห็นว่าหน้าตัวเองถ้าไม่มีต่อมเนี่ยก็ยินดีถ้ามีต่อมก็รีบบีบออกค<ช>่ะอย่างนั้น ส่วนใหญ่คนเนี่ยถ้าเดินผ่านกระจกปุ๊บมองกระจกกันแทบทุกคนนะนะคะแต่มองวันนี้ฉันสวยหรือเปล่าเ <c oughs> ดินวันนี้เรียบร้อยหรือเปล่าลืมส่องดูจิตนะคะถูกต้องถูกต้องค่ะ <c oughs> ต้องเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตแห่งตนเพราะบางคนนะคะที่ดี่ฉันเคยพบเจอเน่ยเป็นผู้หญิงสวยสวยทํางานตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตมากอืมแต่เป็นคนที่เวลาใครมา ทำให้เกิดความรู้สึกว่าไอ้คนนี้มันไม่เข้าท่ามาขอให้ช่วยเราก็อยากช่วย<ม>แต่ทําไมมาขอช้าหรือไปขอคนอื่นก่อนก็จะอรารวาสเลย<ม>เล่นในงานเพราะว่าสนิทกับคนที่ไปขอความช่วยเหลือพอเล่นงานเสร็จคิดขึ้นได้โทรศัพท์กลับมานี่เธอเดี๋ยวฉันขอเลี้ยงข้าวมือนึงนะฉันขอโทษจริงๆเลยฉันไมไ่ตั้งใจ<ม>ฉันก็ไม่ได้จะอย่างนั้นอย่างนี้หรอกแต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆทําไมต้องทําแบบนั้นทําไมต้องทําแบบนี้ก็ไม่รู้เสียค่าเข้ า, ขา อาทิตลากี่มื้อนะคะพระเจ้าบอกว่าอันนี้สองของการเจริญแม่ไตเป็นประจําเนี่ยจะทําให้มีผิวพรรณงามอืม่อนาเพราะฉะนั้นถ้าโกรธอยู่บ่อยๆเนี่ยมันมันจะทําให้มีไฟทําให้ผิวพรรณไม่สวยไม่ข <c oughs> ยันงามก็จะต้องมีเมตตาจิตนะ <c oughs> ท่านท่านยกตรงนี้มาพูดดิฉันว่าคงมีหลายคนหูผึ่งขึ้นมาเลย <c oughs> โอ้จะได้ไม่ต้องเข้าคลินิก <c oughs> ใช่ใช่ทผิวผ่องผิวเด็กผิวใสอะไรอย่างงี้ค่ะ ท่านฝังคงได้ประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วกับเรื่องของการที่จะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้อย่างไรนะคะเราจะต้องเจริญเมตตาจิตอยู่เป็นประจำจิตมันจะได้มีกําลังแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องไปอยู่ใต้อํานาจของจิตมีสติรู้เท่ารู้ทันทีนีม้มาเรื่องต่อไปคะ่ะเรื่องของการตรงดอกดอเบี้ยอาชีพเนี่ยมันผิดไหมคะเอาแค่ออกดอกธรรมดาธรรมดาก่อนอพระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับมิจฉาอาชีวะเนี่ย <Okay. S 2> ถ้าผมว่าใครเป็นคนที่ใช้คำพิริที่ราการพูดล้อเล่ยต่างๆการพูดให้เกิดมานะมุธลุในการให้การใช้ของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากอย่างเงี้ยไม่ควรทำค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็การค้าขายอาวุธการค้าขายยาพิษการค้าขายมนุษย์นี่ก็ไม่ควรทำเพราะฉะนั้นถ้าการที่เขาเอาเงินเนี่ยอย่างธนาคารจะปล่อยเงินกู้ทาไมไม่ติด <Okay. S 2> ใช่ไห <Okay. S 2> ถามว่าเขามีการ พูดมุทะลุยุให้เกิดการให้ไหมหรือว่าการใช้ของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากไหมนะหรือการใช้คำพิริพิไรพู ด, ดล่อ ด, ด้วยเล่ห์ไหมถ้าไม่มีพวกนี้เนี่ยก็โอเคทำได้ค่ะอาทาไมเห็นเซลล์บางคนน่ะนักขายบางคนเนี่ยใช้คำพูดพวกเนี้ยแต่ขายของธรมธรมดาธรรมดาอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิจฉาอาชีพนะอืมอใช้เล่ห์กระเทยจากคาพูดใช่พูดโกหกมันก็ผิดอะ ก็ถือว่าการขายในครั้งนั้นเนี่ยไม่เป็นสมาชิากีบ้านละดังนั้นถ้านั่งอยู่เฉยๆไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยคนก็ามาขอร้องกู้เงินหน่อยแล้วก<ช>็ปล่อยไปแบบปกติธรรมดาดอกเบี้ ย, ยสมเหตุสมผลไอย่างนี้อย่างนี้ไม่เป็นไรก็ถูกเป็นเป็นเรียก ว, ว่าการสงเคราะห์ญาติกา ร, รสงเคราะห์ประชาชนอะไรก็ทําได้แต่ถ้าออกดอกแพงอะท่านคะออกดอกแพงก็ถามว่าเราพูดใจพูดนี้ไหมถ้าไม่ได้พูดก็โอเคเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขายอมรับอยู่อ๋อหรอคะเอ้าก็ ก็อีกฝ่ายนี่งก็ยอมรับนี่อืใช่ไหมแต่เราไม่ได้เขาจำยอมเหมือนท่านคะเขาไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครจำยอมนี่ก็คือคงจะต้องไปพิจารณาฝ่ายนู้นนะว่าเขาต้องพิจารณาแคสโตรของเขาพระเจ้าบอกว่าคราว่าตเนี่ยจะต้องรู้ว่ารายรับไม่ให้ท่วมรายจ่ายรายจ่ายเนี่ยอย่าให้ท่วมรายรับค่ ะ, ะรายรับให้ท่วมรายจ่ายเพราะฉะนั้นเราต้องดูแคสโตรว่าเรากระแสงเงินเนี่ยว่าเราเอา่รับไหวไหมในการที่จะไปกู้ยืมแต่ละครั้งอยู่แล้ว ทีนี้ว่าถ้าคนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยแล้วไปทวงเนี่ยแล้วเกิดมีการใช้คำด่าคำว่าอันนี้มีวิบากของผลของการด่ากันว่าพระพุทเจ้าบอกว่าถ้าเธอใช้คำหยาบเนี่ยหรือใช้การพูดยุโยงให้แตกกันเนี่ยก็จะเป็นไปถ้าไม่ตกนรกกำเนิดเดริสารนะอย่างเบาๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่ต่าจากมีดเหล่าอะไรต่างๆคือวิบากของการใช้วาจาที่ไม่ถูกต้อง ถ้าฆ่าเขาอันนี้ก็แน่นอนก็เป็นการผิดศีลหล่ะครัาบางทีก็มีข่าวบอกว่าอะไรเราแม่ค้าผู้หญิงอะค่ะนานานะแล้วที่โดนฟันแขนขาดเพราะกระบวนการทวงหนี้อย่างนี้ก็เท่ากับว่าไอ้ผู้นั้นมันผิดบาปอยู่แล้วอันนี้มันเป็นการพยาบาทเป็นพระรูปเจบอกว่าถ้าใครเนี่ยมีผิดอย่างนี้นะบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงเดือดร้อนจงแตกทํำลายจงขาดสูญจงพินาศจงใหญ่มีอยู่เลยนะถ้ามีความคิดแบบเนี้ยการเอา อีโต้ไปเฉาะแขงเขาเนี่ยมันก็ต้องให้เขาขาดศูนเดือดร้อนถูกมาชิพาอ ย, ย่ามีอยู่เลยเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่เป็นพยาบาทจริงๆถ้าจินตนาการด้วยเหตุผลของปุถุชนทั่วไปเนี่ยเราก็มีความรู้สึกอยู่แล้วว่าในระดับไหนที่ทำได้ในระดับไหนที่ไม่ควรทำนะคะแต่ว่ า, าก็อยากอยากให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกว่า ถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่มีชีวิตประพฤติตามธรรมซึ่งจะส่งผลถึงตัวของคุณเองในแง่ของการที่จะไม่เดือดร้อนจากการเป็นผู้อาธรรมเนี่ยนะคะก็ออหน้าที่จะได้มีแนวคิดประกอบกันไปอย่างไรก็ตามเนี่ยบางคนเขาจนโดยบังเอิญนะคะคือมันเหมือนกับว่าไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะจะกำลังจะพูดว่าโอกาสของเามันน้อยอก็คงจะต้องเป็นเรื่องของ ทางคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างพอเป็นชาติเนี่ยมันต้องมีการบริหารอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยเข้าใจว่าบริหารอย่างไรถึงจะทําให้คนส่วนมากของประเทศพอมีพอกินเอออยู่ได้อีกประการหนึ่งคือว่าคนที่มีจิตพยาบาทอย่างนั้นเนี่ยมีการพูดเท็จการพูดสอดเสียดการพูดไม่ดีอะไรเนี่ยน ะ, ะพระเจ้าเปรียบเหมือนว่าบุคคลแบบเนี้ยถ้าเป็นผู้ที่ถูกนำเก็บไปในนรกเตรียมไว้เลย<ำ>ตายไปไปนรกแน่นอน แล้ว<น>พวนี้ ไ, ไ, ไ<ม>ป<ต>อยู่รวมๆกันนรกแตกออกมานี่ลําบากเลยนะคะนรกไม่แตกแต่เป็นด้วยความประเภทเดียวกันเท่าไหร่คะงั้นอย่างนี้หละหลายคนฟังคําถามมาตั้งแต่ตอนต้นของรายการอาจจะบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ฟังแล้วมันปฏิบัติยากถามว่าขอพุทธเจา้ายังไงถึงจะได้ผลนี้ดีกว่าเดี๋ยวปีใหม่นี่จะอธิษฐานและคือคือแตมาเมื่อสมัยก่อนก็เป็นนะค่ะเราแบบไปขอขอไปตอนหน้าพระพุทธรูปองค์นี้แหละศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วไปเลยกดธูปเก้าดอกนะพนมมือ นั่งท่าเทพ่ยวภูเที อ, อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่แหละ <Okay. S 2> และ้วอธิษฐานจิตเลยบอกว่าขอให้ได้สองขั้นปีนี้ขอให้ได้งเงินเพิ่มขอให้ถูกหวยขอให้อะไรก็แล้วแต่เถอะแต่ไม่ขอให้คนรักขอให้คนรักของเราอยู่กับเราไปตลอดขอให้ความรักเรายั่งยืนอะไรต่างๆได้ไหมคะเอาแบบพระเจ้าขอดีกว่าพระเจ้าเนี่ยลองดูที่คุณยมศาสนาอ่านเมื่อสองเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อวันก่อนนี้พระเจ้าปรารถนาในโพธิญาติใช่ไหมพระเจ้าปรารถนเองด้วยนะ ตอนที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยบอกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนั่นเป็นความทุกข์บอกว่าการปรารถนาอะไรล่ะถ้าเธอปรารถนาอยู่ว่าเอ้ยเราอย่าแก่เลยสิ่งเหล่านี้ยสัตว์ไม่สามารถบรรลุได้ด้วยการปรารถนาใช่แล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราปรารถนาการอยาได้เงินอย่างนั้นอย่างนี้ถูกหวยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ด้วยการปรารถนาแบบเนี้ยเป็นความทุกข์สร้างความทุกข์ให้ตัวเองแต่ถ้าจะปรารถนาเนี่ยให้อธิษฐาน อธิษฐานคืออะไรอธิษฐานคือการตั้งมั่นในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแรงกล้าทุบโต๊ะตั้งแล้วบอกไปเลยว่าฉันจะไม่หยุดสร้างผลงานถ้าฉันไม่ได้สองคันฉันจะไม่หยุดทำความดีไม่หยุดตั้งมั่นในศีลถ้าฉันไม่ได้ลงเอยกับคนนี้ใช่ทำนี้ <c oughs> ไปฉุดทต่อหน้าพูะพธูปองค์ที่คิดว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยแล้วไปเลยไ ป, ปีใหมน่นี้ตั้งเขาเรียกว่าอะไร Uh, uh, ออ่าปณิธาน uh, ปอปณิธานของปีบอกว่าปีนี้ฉันต้องเก็บเงินให้ได้เท่านั้นเท่านี้ฉันจะไม่กินข้าวตื่นเช้ามาจะหยอดกระปุกก่อนเก็บเงินได้เงินเดือนมาจะเอาเท่านี้เจ็ดเข้ากระปุกถ้าไม่ได้เงินเท่านี้ฉันจะไม่หยุดทําอย่างนี้เป็นการอธิษฐานแล้วพระพุทธเจ้ า, าจะเมตตาหรือคะอะไรนะแล้วพระพุทธเจ้าจะเมตตาหรือคะนี่เป็นการตั้งความเพียรอย่างไม่ถอยกลับไง การตั้งความเพียรย่ังไม่ถอยกลับอย่างที่พระเจ้าอ่าปฏิบัติในคืนวันก่อนตรัสรู้เนี่ยบอกว่าหนังเอ็นกระดูกจกเหลืออยู่เนื้อละเลื่อนในสริระจะเฉ่แข็งไปก็ตามทีถ้ายัางไม่สําเร็จเนี่ยถ้ายัางไม่รู้ประโยชน์อันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยการปฏิบัตินี้จะไม่เลิกความเพียร น, น, นี้นะก็คือไม่เลิกกลางคันถ้าไม่สําเร็จไม่เลิกกลางคันบางคนอาจจะบอกว่าถ้าจำเพาะบุรหรอกนี่น า, านรือว่อานั่งไหวเฉยๆประโลกปรกจุดทูมากขึ้นแล้วจะได้ง่ายๆ แต่นี่ต้องทำด้วยใช่ไหมคะเพราะท่านจำพิบุญศึกษาคำพระพุทธเจ้าค่ะแล้วพระพุทธเจ้าคิดดูนะพระเจ้าพระองค์เองตอนเป็นบริษัทอยู่ปราสานาซึ่งโพธิญาณใช่ไหมค่ะโอ้โหถ้าไปช่วยนางพรามณีองค์นั้นหรือว่าไปไม่ออกบวชหรืออะไรต่างๆไม่ตัดสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยถ้าตัวเองสามารถเนี่ย มันก็ไม่ได้ถามว่าพระองค์เนี่ยทํำยังไงแต่นี่พระองค์จะจุดทูตอธิษฐานเออพววระวิชาองค์ก่อนช่วยหน่อยให้เป็นพววระวิชาทีเธอสาธุสาธุสา ธ, สาธุมันไม่ได้เรื่องหรอกค่ะต้องอธิษฐานก็จึงต้องทําความเข้าใจกันว่า ห, หากท่านประสงค์สิ่งใดอย่าเพียงแต่ปรารถนาอยากได้อย่างเดียวมันไม่มีทางได้ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังเป็นความทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังยังเป็นทุกข์ด้วยใช่ดังนั้นถ้าปรารถนาสิ่งใดและอยากได้สมหวังให้อธิษฐานให้อธิษฐานอธิษฐานคือการตั้งใจมั่นในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแรงกล้าค่ะอธิษฐานไม่ใช่คุกเข่าในท่าที่สวยที่สุดแล้วขอว่าขอให้ลูกได้อย่างนั้นด้วยเธอเจ้าประคูลแต่หมายความว่าต้องตั้งมั่นว่าไอ้สิ่งที่จะได้เนี่ยจะตั้งใจทําเพื่อให้ได้มาอย่างจริงจังสร้างเหตุค่ะจึงจะสมกับ เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามทางของพระพุทธเจ้าไม่หยุดสร้างเหตุถ้าไม่ได้สิ่งนั้นแค่นี้เองไม่เลิกกลางคันขอให้ทุกท่านนะคะได้น้อมนำเอาวิธีนี้ไปใช้จะได้เป็นการขอพรที่ถูกต้องขอแล้วมีโอกาสได้ไม่ใช่ขอแล้วเลื่อนลอยเหมือนที่ผ่านๆมานะคะวันนี้ก็นมัสการขอพระคุณพระอาจารย์ไพบูล์ไว้แต่เพียงเท่านี้คะ่ะก<อ>คะ่ะ ระหังคะการอ่านพุทธประวัติจากพระโอษในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการบําเพ็ญบารมีในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและตรัสรู้ในพระชาตินี้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะก็มีหลายพระชาติด้วยกันวันนี้เราอ่านมาถึงเรื่องสุดท้ายที่คณะของท่านพุธธ้เท่าทัศได้รวบรวมเอาไว้ในชุดที่ตรัสเล่าด้วยพระองค์เองพุทธประวัติจากพระโอษ คือเรื่องที่ชื่อว่าที่สุดแห่งการท่องเที่ยวของพระองค์ค่ะโดยพระพุทธองค์นั้นตรัสว่าเราเมื่ อ, อยังไม่ค้นพบแสงสว่างมัวเสาะหาในช่างปลูกเรือนคือตันหาผู้ก่อสร้างเรือนคืออัตภาพอยู่ได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตกล่าวคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกาชาติความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาติ แน่ในช่างผู้ปลูกสร้างเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจากสร้างเรือนให้เราต่อไปอีกไม่ได้โครงเรือนคือกิเลส ท, ที่เหลือเป็นเชื้อเกิดใหม่ของเจ้าเราหักเสยยับเยินหมดแล้วยอดเรือนคืออวิชชาเราขียี้เสียแล้วจิตของเราถือความเป็นธรรมชาติที่อารมณ์จะยุ่ยแย่ยั่วยา้าไม่ได้เสียแล้ว มันได้ลุถึงความหมดอยากทุกอย่างก็เป็นอันจบภาคหพุทธประวัติจากพระโอษค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการนี้เป็นรายการที่ท่านจะได้ฟังพุทธวจนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระโอษมากที่สุดละนะคะแล้วก็ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งด้วยการเปิดโอกาสให้ของทางสถานีวิทยุ ครอบครัวข่าว FM 106ค่ะในส่วนของพระคุณเจ้าที่มีปฏิปทาที่จะเผยแพร่พทูทวชนะจากพระโอษนี้ก็มีหลายรูปนะคะที่เป็นกำลังสำคัญที่มาทำรายการนี้ก็มีอยู่อย่างเช่นพระภัยบุ์อภิปุณโณซึ่งกำลังมีของขวัญสำหรับวันขึ้นปีใหม่มาให้กับท่านผู้ฟังก็คือร้อยแปดตถาคตภาสิทธ์เช่นเดียวกับทางลูกศิษย์ของพระอาจารย์คริส โสติพโลที่ได้สร้างหนังสือพุทธวัตรทำวิไนาจากพุทธโอษเข้าใจว่าแจกในรายการนี้วันละห้าเล่มห้าเล่มท่านก็คูณไปกัแล้วกันนะคะตลอดทั้งปีมาแล้วเนี่ยเป็นจำนวนมากทีเดียวยังมีที่จะแจกอยู่เรื่อยๆแล้วก็เป็นพุทธวจนะที่เป็นอมตะนะคะจากสองพันห้าร้อกว่าปีในยุคสมัยของพระพุทธองค์วันนี้ ได้รับการช่วยกันสืบทอดอย่างถูกต้องก็จึงทำให้เรามีหลักธรรมมาใช้เป็นที่พึ่งพาอยู่ได้ถึงทุกวันนี้และเราก็อยากจะให้ปรากฏยั่งยืนตลอดไปเพื่อยังประโยชน์แก่มนุษยชาติในรุ่นต่อๆไปด้วยรายการของเราค่ะในวันจันทร์ถึงวันพุธช่วงถามโลกตอบธรรมพบกับพระอาจารย์ไพบูญอภิปุณโณในวันพฤหัสกับวันศุกร์เราจะพบกับพระมาร์คชาคาวโร ซึ่งจะมานำเสนอพระสูตรของพระพุทธเจ้าเต็มๆแล้วก็พร้อมกับคำอธิบายวันนี้ก่อนจะจ